ตวักหมวดว่าด้วยพระอาหารหันต์หนึ่งอุปาทิยมามนัสูตรว่าด้วยผู้ยึดมั่นขัน 63. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 ภิกษุบุคคลเมื่อยึดมั่นก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมารผู้มีบาปข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์เข้าใจแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์เข้าใจแล้วภิกษุก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำเรากล่าวแล้วไว้อย่างโดยย่อดโดยพิสดารได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลเมื่อยึดมั่นรูปก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมารผู้มีบาปเ ม, ok ok ม, ม, ม, มื่ญญมอยึดเวทนาก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมารผู้มีบาปเมื่อยึดมั่นสัญญาสังขารเมื่อยึดมั่นวิญญาณก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมารผู้มีบาปข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระภาสิต ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อดโดยพิสดารได้อย่างนี้ดีละดีละภิกษุดีแท้ภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เราก่าวะวอย่างโดยย่อพิสดารได้ดีแล้วบุคคลเมื่อยึดมั่นรูปก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมารผู้มีบาปเมื่อยึดมั่นเวทนาสัญญาสังขาร เมื่อยึดม่นวิญญาณก็ถูกมานผูกมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมานผู้มีบาปภิกษุเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างโดยย่อโดยพิสดารอย่างนี้ครั้งนั้นภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอัสนถวายอภิวาท กระทำปรททักษิณแล้วจากไปต่อมาพิกษุนั้นก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรมจันที่หล่าวกุลบุตรผู้ออกจากเกลือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายอุปาธิยามาณสูตรที่หนึ่งจบ 2. มัญญามานสูตรว่าด้วยผู้กำหนดหมายขัน 64. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานว่าโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ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 ก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างโดยย่อโดยพิสดารได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อกาหนดหมายรูปก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่กำหนดหมายก็พ้นจากมารผู้มีบาปเมื่อกำหนดหมายเวทนาสัญญาสังขารเมื่อกำหนดหมายวิญญาณก็ถูกมารผูกมัดไว้ เมื่อไม่กำหนดหมายก็พ้นจากมารผู้มีบาปข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระภาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อโดยพิษดานได้อย่างนี้ดีละดีละพิสุดีแท้เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อดโดยพิษดารได้ดีแล้วบุคคลเมื่อกำหนดหมายรูปก็ถูกมารผูกมัดไว เมื่อไม่กำหนดหมายก็พ้นจากมารผู้มีบาปเมื่อกำหนดหมายเวทนาสัญญาสังขารเมื่อกำหนดหมายวิญญาณก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่กำหนดหมายก็พ้นจากมารผู้มีบาปภิกษุเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากราวไว้อย่างโดยย่อโดยพิสดาลอย่างนี้อหนึ่ง ภิกษุนั้นได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายมัญมานสูตรที่สองจบ 3. อภินันทมานสูตรว่าด้วยผู้เพลิดเพลินขัน 65. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่ง นั่งนัดที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประธานว่าโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่ออุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลเมื่อเพลิดเพลินก็ถูกมานผูกมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลิน ก็พ้นจากมารผู้มีบาปข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์เข้าใจแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์เข้าใจแล้วพิกษุก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากราวไว้อย่างยอ่อโดยพิสดารได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบุคคลเมื่อเพลิดเพลินรูปก็ถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินก็พ้นจากมารผู้มีบาป เมื่อเพลิดเพลินเวทนาสัญญาสังขารเมื่อเพลิดเพลินวิญญาณก็ถูกมานผูกมัดไว้เมื่อไม่ยึดมั่นก็พ้นจากมานผู้มีบาปข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระภาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างนี้ดีละดีละภิกษุดีแท้ภิกษุเธอเข้าใจ เนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารได้ดีแล้วบุคคลเมื่อเพลิดเพลินรูปก็ถูกมานผูกมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินก็พ้นจากมารผู้มีบาปเมื่อเพลิดเพลินเวทนาสัญญาสังขารเมื่อเพลิดเพลินวิญญาณก็ถูกมานผูกมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินก็พ้นจากมาผู้มีบาปภิกษุ เธอพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้อันหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอารหาันต์ทั้งหลายอภินันธรมานสูตรที่สามจบสี่อานิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง 66เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัถีครั้งนั้นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประธานวารโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดภิกษุ สิ่งใดไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์เข้าใจแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์เข้าใจแล้วภิกษุก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญรูปไม่เที่ยงข้าพระองค์พึงละความ พอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงข้าพระองค์พึงละความพอใจในวิญญาณนั้นข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อดโดยพิสดารได้อย่างนี้ดีละดีละภิกษุดีแท้ภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เราก่าวไว อย่างยอโดยพิสดารได้ดีแล้วรูปไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเธอพึงละความพอใจในวิญญาณ น, นั้นภิกษุเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวไว้อย่างย่อดโดยพิสดารอย่างนี้อันหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่ง ในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายอันนี้จะสูตรที่สี่จบ 5. ทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์67เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งนั่งหน้าที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุสิ่งใดเป็นทุกข์เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์เข้าใจแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์เข้าใจแล้วภิสุก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากราวไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเป็นทุกข์ข้าพระองค์พึงละความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์เธอพึงละความพอใจในวิญญาณนั้นภิกษุเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้อันหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายทุกขสูตรที่หจบ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 ก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเป็นอนัตตาข้าพระองค์พึงละความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาข้าพระองค์พึงละความพอใจในวิญญาณ น, นั้นข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระภาษิต ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อโดยพิศดานได้อย่างนี้ดีละดีละภิกษุดีแท้ภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้ดีแล้วรูปเป็นอนัตตาเธอพึงละความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา เธอพึงละความพอใจในวิญญาณนั้นภิกษุเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้อนหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอนัตตสูตรที่หกจบเจ็ด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 ก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากราวไว้อย่างย่อดโดยพิสดารได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาข้าพระองค์พึงละความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาข้าพระองค์พึงละความพอใจในวิญญาณ น, นั้นข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระภาษิต ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างนี้ดีละดีละภิกษุดีแท้ภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากราวไว้โดยย่อโดยพิสดารได้ดีแล้วรูปไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเธอพึงละความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา เธอพึงละความพอใจในวิญญาณ น, นั้นภิกษุเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคำที่เรากราวไว้อย่างย่อดโดยพิสดารอย่างนี้อนหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายอนัตตนิยสูตรที่เจ็จบ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 ก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าไว้อย่างย่อดโดยพิสดารได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเป็นสิ่งจูงใจให้กำหนัดข้าพระองค์พึงละความพอใจในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่จูงใจให้กำหนัดข้าพระองค์พึงละความพอใจในวิญญาณนั้น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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งจูใจให้กำนาเธอพึงละความพอใจในวิญญาณ น, นั้นภิกษุเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคําที่เรากราวไว้อย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้อนหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายรัชนียสันธิตะสูตรที่แปดจบ 9. ราทสูตรว่าด้วยพระราธะเจเอเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรจึงจะไม่มีอหังการ มมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตาม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 ใกลหรือใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นอริยาสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราราทะเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้จึงไม่มีอาหังการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้ และในนิมิตทั้งปวงในภายนอกอันหนึ่งท่านพระราธะได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายราธัสูตรที่เก้าจบสิบสุราธัสูตรว่าด้วยพระสุราธะเจ็ดสิบสอง เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระสุราทะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรจึงจะปราศจากอาหางการ ม, มังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอก ก้าวล่วงมานะด้วยดีสงบระงับหลุดพ้นดีแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสุราทะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไกลหรือใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไกลหรือใกล้ก็ตาม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 และมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกกล่าวล่วงมานะด้วยดีสงบระงับหลุดพ้นดีแล้วอันหนึ่งท่านพระสุราทะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสุราทสูตรที่สิบจบอรหันตวรักที่สองจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อุปาทิยมาณสูตร 2. มัญญามณสูตร 3. อัอภิ น, นันทมาณสูตร 4. อณิจจสูตร 5. ทุกขสูตร 6. อานัตตสูตร 7. อานัตตนิยสูตร 8. รดชนิยสันธิตสูตร 9ราธาสูตร10สุราธาสูตร